นั่งตามสบายนั่งตามสบายนะไม่ต้องไปชิดอะไรให้มันฟุง้งซ่านเราจะนั่งอยู่ในอริยบทไหนก็ไม่เป็นไรในสีอริยบทจะยืนฟังก็ได้ยืนเดินฟังก็ได้เราจะนั่งฟังก็ได้จะนอนฟังก็ได้แต่เราอย่าขาดสติ ให้เรามีสติสัมปาชัญญาดูตัวเองอยู่ฟังอยู่กิริยาการฟังมีอยู่สองชนิดฟังด้วยหูแล้วก็ฟังด้วยตาพูดด้วยปากแล้วก็พูดด้วยมือมันถึงจะครบเขาเรียวกว่าพูดหรือฟังมันถึงจะสมบูรณ์แบบ ถ้าพูดตั้งแต่ปากมีแต่เอาหูฟังโดยที่ไม่ใช้มือพูดไม่เอาตาฟังด้วยมันก็ยังไม่สมบูรณ์ถ้าเราใช้ทั้งสองระบบมันจะสมบูรณ์นะเหมือนกับการนั่งจะนั่งพับเพียบก็ได้นั่งคุกเข่าก็ได้ไม่เป็นไรจะนั่นั่งทับขาทั้งสองข้างอยู่มันก็ไม่ผิด ก็ถือว่านั่งเพราะการนั่งนี้เราอาศัยมาเป็นเราอาศัยอะไรมาเป็นฐานรับรองผมผมเป็นเครื่องรับรองให้อยู่แล้ว ผมมีอยู่สี่หน้าก้นหน้าที่สองก็คือก้นลองทาดขันของเราให้นั่งอยู่ผมเป็นผู้เครื่องรองรับโลกผมไปว่าเครื่องปูลาดให้เข้าใจนะในผมหน้าที่ของผม ปะคับประครองโลกกระทาของมนุษย์นี่รับรองโลกของตัวใครตัวมันนี่แหละใครว่ากันโลกอันหนึ่งซึ่งมีผมลองรับอยู่ลองรับให้นั่งจะนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายก็เป็นการนั่งขัดสมาธิเพื่อจเจริญบําเพ็ญภาวนา องค์สมเดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นั่งคัดสมาธิก็อาศัยพรมเครื่องรองรับนั่นเองจนกระทั่งทำความเพียรด้บุรุตัดสรลุอนุตัละสัมมาสัมโพธิยานพรมมันเครื่องรองรับอยู่เหมือนเดิมอย่าไปเข้าใจว่าพรมอย่างอื่นอีกดูพรมที่เราเห็นนี่ ง่ายง่ายฉันอยากจะทราบไอ้พรมอยู่นูน่นอยู่บนสวรรค์ข้ามีจริงไหมจริงทำไมถึงอยากจะทราบฉันก็อยากจะไปเกิดด้วย ถ้าอยากจะไปเกิดด้วยต้องปฏิบัติพรมหยุดเป็นมนุษย์ก่อนสีให้มันได้เป็นพรมซะก่อนเขามานำไปเนี่ยพวกเรายังทำตัวให้เป็นพรมไม่ได้เขาจะมารับกได้ยังไงเรายังทำผิดอยู่นี่ยังทำผิดทำถูกอยู่จับพัดจับเพอยู่แล้วก็อยากจะเป็นเทวดาอยากจะเป็นพรมมันจะเป็นได้หรือ ถึงไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเอาแค่มนุษย์ก็พอเนาะไม่ขาดทุนอลยกังมนุษย์เสสู่การเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันของยากของลาบากเป็นของที่ประเสริฐเลิศที่สุดแล้วที่เราได้เกิดมาควรจะภูมิใจใตัวเองสิเป็นมนุษย์ ก็ขอเตือนสติอันหนึ่งสิ่งที่ควรรักษาก็มีอยู่สามอย่างนะสิ่งที่ควรปฏิบัติก็มีอยู่สามอย่างเพราะมันเป็นกระแสะของโลกพูดกระแสะของโลกสิ่งที่ควรรักษาคืออะไรหนึ่งให้รู้จัก ร, รักษาจิริยาม ล, ลยา สองให้รู้จักรักษาโคดวงตระกูลสามให้รู้จักรักษาตัวเราเองนี่สิ่งที่ควรรักษากิริยามารายาทดีหรือชั่วเสีย ห, ยหายหรือไม่เสียหาย เมื่อเวลาควรจะตีแล้ะเขาไมา่ได้ตีเรานะพ่อแม่มันเป็นอย่างนั้นหนุนเขาว่าไปถึงพ่อล้วหนุนจริงไหมกิรลยามรารยาทสองให้รู้จกักรักษาโคดวงตระกูลตระกูลของพวกเราเนี่ยเป็นชาติเสือชาติมังกรเราพูดเป็นบุตร จะเป็นชาติส่นักหรือชาติสัตว์เลี้ยฉานอย่างนั้นเหรอพอ่อเราแม่เราโคตรเราเป็นชาติเสือชาติมังกรน่ะที่ยิ่งใหญ่อะ่ะตัวเองบบเอาตระ ก, กูลมาทำลายอย่างนั้นเหรอสิ่งที่ควรรักษานะสามละ่ะ ควรรักษาตัวเองตัวเองไม่ยอมรักษาตเตองไม่ยอมปฏิบัติตัวเองกลับไปดูคนอื่นไปปฏิบัติคนอื่นเอาความคิดของคนอื่นมาใส่ใจให้เขาจูงจมูกไปในทางดีทา ง, ทางไม่ดีอยู่เกิดเป็นมนุษย์เสียชาติเกิดทําไมคนอื่นเขาก็เป็นมนุษย์ไม่ใช่หรือเราก็เป็นมนุษย์ สูงกว่ามนุษย์ก็เป็นมนุษย์สเทวโถ้าต่ำกว่ามนุษย์ก็เมื่อเชาวว้าก็พูดแล้วมนุษย์สเปตตัวมนุษย์ติเลชานุนรกมีสวรรค์มีนี่สิ่งควรรักษาสิ่งที่ควปรปฏิบัติล่ะก็มีอยู่สาม อะไรบ้างหลวงตาบางทีใจฮ้นอยากจะฟังเนาะทำไมหลวงตาถึงพูดช้านักมันก็จดจ่อยอยากจะฟังอยู่เรื่องไม่อยากจะฟังสิ่งที่ควรปฏิบัติด่หนึ่งให้มีศรัทธาความเชื่อ ภาษาทะเฟเื่อมเลื่อมใสในตัวเองถ้าขืนไปเชื่อคนอื่นคนอื่นเขากินข้าวอิ่มท้องหรอมั้ยเรากินข้าวอิ่มท้องคนอื่นไหมถามใจตัวเองนะเราจะเชื่อเขาหรือเชื่อเรา ปาดโบราณนึงบอกว่าจะเชื่อคนหรือเชื่อเราคนกินข้าวอิ่มเราหรือนี่คำโบราณสองให้รู้จักคำว่ารักรู้จักคำว่ารักไหม รักมันมีสองอย่างน ะ, ออะรักรอเรือและรักรอริงนะจริงไหมคือรักดีและรักชั่วคำว่ารักตัวนี้ไม่ยอมรักตัวเองใช่ไหม ไม่มีศรัทธารักตัวเองใช่ไหมเกิดเป็นมนุษย์ทำไมต้องรักในการกระทำของตัวเองสิใครเขาจะมาทำให้ดีหรือชั่วผิดหรือถูก ลักในควรมีในกิตในใจของตัวเองลักมุ่งหน้าปฏิบททัติเท่เอาศรัทธาข้อหนึ่งมาเป็นเครื่องหนุนดูสิองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญมาตั้งแต่สี่สงไข่แสนมหากัาบชาติลักพระสัพพันธยูเห็นไหม เกิดมาตุภุมิชาติสร้างบันเพ็นบา ร, รมีมาจนเต็มเปี่ยมสามสิบทัศน์อ่ะจิตมีอย่างเดียวเท่านั้นรักพระสัพพันยูแล้วพ่อพระแม่พญาติทาทีาท่นั่งอยู่นี่ลหละรักอะไรลองถามใจตัวเองสิรักง่วงใช่ไหม หรือว่ารักวังรักในชีวิตหรือเปล่าหนอเรารักแบบไหนกันแน่ถามตัวเองหน่อยสิน่าสงสารชีวิตตัวเองไหมรักพี่รักน้องรักลูกรักหลานเหลียหล่อนรักในครอบครัวตัวเอง แม้แต่ว่าลักตลอดถึงวงตระกูลมันก็มีรักทางนั้นรักอันแท้จริงไม่มีสีสันวันหน้านะรักที่บริสุทธิ์คือรักที่เสียสละพระพุทธเจ้ามีความรัก รักในพระสัพ์พันดูเสียสละเลยเสียสละทุกเสียสละสุขเสียสละแม้กระทั่งจิตใจวางกว่าเป็นธรรมชาติรักคือความเสียสละจึงได้นิพพานเห็นไหมแล้วอันที่สามละ่ะคืออะไรสิ่งที่ควรปฏิบัติ ยิ้มแต่ในทางพระธรรมเขาว่าแย้มแย้มพระโอษฐ์ว่างั้นภาษาบ้านเราเขาว่ายิ้มยิ้มกับพวรอหนึ่งเหมือนกันไหมไม่เหมือน ข้าวหัวเลาะนี่เห็นฟันนะจริงไหมปากจะอาอนนิดหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าแย้มล่ะจะมีร อ, อยายักข้านิดหน่อยนะทางซ้ายบางทางหัวบางนิดนิดมีประโยชน์แไรยิ้มเนี่ยเป็นสื่อสัมพันธ์ที่ดีนะ แต่เป็นอันตรายที่ดีนะรอยยิ้มมีอันตรายด้วยหรือเดี๋ยวก็จะถามลุงตาอีกแล้วใครพยากรรอยยิ้มของกันได้ใครกล้าละปากไหมว่าใครสามารถรู้รอยยิ้มของมนุษย์ทุกคนได้เขายิ้มเพื่อนรักหรือว่ายิ้มเพื่อแฉน ยิ้มเพื่อเจียดหรือยิ้มเพื่อชังรอยยิ้มที่แฝงเอาไว้นั่นน่ะเขายิ้มเพื่อเมตตาสงสารเราเพื่ออบอุ้มอาลีเรากิงไหมอย่าไปเข้าใจว่ารอยยิ้มดีหมดนะ แต่ถ้าเป็นรอยยิ้มหรือว่าแย้มของพระพุทธเจ้านั้นผิดจะพบรอยยิ้มแต่ละข้างนี่ก็หายากมีข้างหนึ่งถ้านึกไม่ผิดตัวถ้าจําไม่ผิดรู้เสด็พระเจ้าทีปังกรนพระพุทธเจ้านามทีปังกรนยังไง เดินทางไปยังเมืองอะไรพาพระอราหันต์ฉีนาศพไปอีก้าร้อยรูปเดินตามทางไปเมื่อเงินที่อื่นเขาทำทางจบแล้วมีดาบทคนหนึ่งชื่อว่าสุเมทะทำหนทางข้ามลองน้ำไมเ่เสร็จชีวิตต้องข่าพระเจ้าเมอบเป็นสะพานคอยพระตาาคต ผูเป็นเสร็จพ่อกับพระอรันจะจงเดินเหยียบล่างข้าพระเจ้าเป็นสะพานไปเถอะถึงแม้ว่ากระดูกทุกชิ้นมันจะหักก็ช่างแต่ก่อนมันจะหักจะพยายามสู้จนด้วยชีวิตที่มีเอาล่างตัวเองทอดเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าข้าม พอพระพเจ้าจะเดินข้ามจะเดินเหยียบอะไรก็ช่างจะให้มีรอยก็ได้ไม่ให้มีรอยก็ได้ไม่ให้สัมผัสกับพื้นดินก็ได้สัมผัสกับลมอยู่ก็ได้พระอรหันต์ฉีนาุพก็เหมือนแต่พอสัมผัสแต่แต่เท่านั้นโดยไม่มีอาการรู้สึกว่าเหยียบหรือไม่เหยียบเลยข้ามผ่านไปได้ทุกๆพระองค เมธาดาบทันจิตแม่นคงที่สุดเลยจะเหยียบหักวันนี้ก็หักไปเถอะวางหมดแล้วเห็นไหมผู้จะข้ามไปแล้วก็เลยมายืนอยู่บอกสาวว่าข้ามไปทุกทุ ก, ท, กทุกแล้วตั้งห้าร้อยแล้ววางรอยยิ้มขึ้นนิดหน่อยแทบแต่อานนท์พระอานนท์เห็นแปลกๆไม่ใช่เรื่องธรรมดา ริงเข้าไปกาบทูนเลยข้าแต่พวงพผู้เจริญสิ่งที่เห็นได้ยากที่สุดข้าพุทธเจ้าก็ได้เจอแล้วพระพพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่ที่อุบัติขึ้นมาในโลกนี่จะแย้มพระโอษฐ์ทั้งเห็นนี่ยากวันนี้กาวกับผมพระานนท์ได้เห็นรอยแย้ม พระโอษ์ของพระองค์แล้วด้วยเหตุอะไรเรือ่อพระเจ้าค่ะอ๋ออาโนนในพัดลกับข้างหน้านะพัทลกับคารวะกับที่จะเริิญนที่สุดจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดถึง5้าพระองค์ดาบทคนนี้ชื่อสุมเมธะจะไปเกิดเป็นพูะเจ้าองค์ที่สีน่นามวโคตมะเห็นไหมท่านหัจุ่แล้ว่า นำพิกสูเดินต่อไปเลยใช่ไพยากรแช่นั้นพูดแช่นั้นในพัทละกับนี้แหละที่เราอยู่ในพระ ก, กัลนี่พระพุทธยาองค์ที่สีก็คโคตมะโคตดพระโคดมนะสากยาบุตรที่เราได้ฟังคำสอนวางได้รู้พระพุทธศาสนาเนี่ยพุทธังธรรมังตโยนี่ที่พระเจ้ า, คาโคตมะเนะี่ยหละยกธง บอกสบัดให้สัตว์โลกได้เห็นด้วนี่บอกเพื่อจะขนสรรพสัตว์เข้าส well ู่นิพพานเห็นมก็เพราะอะไรแย้มหรือว่ายิ้มในข้อที่สามแต่ถ้าเป็นยิ้มที่เป็นภัยล่ะแย้มที่เป็นภัยล่ะมีไหมมี อันนี้มันเป็นประวัติศาสตร์มากิงหรือเท็จให้พิจารนาเองนะเมืองจีนมีทมหาจาักรพรรดิยิ่งใหญ่จริงๆนะคือพระเจ้าถังฮ่องเต้เป็นนักรบฉกาชากันที่สุด การสู้รบทุกหัวเมืองเนี่จะลาบค่าไปเพราะพระองค์ยกทัพออกอ่ะสั่งทัพออกไปบีทานเนี่ยนักรบที่เก่งกล้าสามารถขนาดนั้นยังมาแพ้รอ ย, ยิ้มของนางใส่สีรอ ย, ยิ้มรอยแยม้มมาหลงรอ ย, ยิ้มของนายใส่ดังใส่สีอันเป็นฆ่าสึื เข้าไปซ่อนอยู่สุดท้ายเป็นผู้วางแผนในเมืองกีนแตกตั้งแต่ครั้งรอยยิ้มของนางทำให้เมืองกีนแตกเห็นไหมประชาชนตายเท่าไหร่ก็เพราะอะไรยิ้มหรือว่าแย้มยิ้ ม, ม, มจึงไม่มีใครพยากรณได้ว่าโกดแ้นเคือง ผูกอาคาดผูกพยาบาทหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเตือนสตินะเลอยกสิ่งที่ควรรักษาสามอย่างสิ่งที่ควรปฏิบัติสามอย่างอันนี้เป็นกระแสโลกสิ่งที่เราควรจะ กา่ทำกันอยู่เดี๋ยวนี้เราก็มาไหวาพ้พระมารักษาศีลมากล่าวนโมวันนี้จะพูดแต่หัวข้อพอเป็นเครื่องเตือนสติให้มันเกิดปัญญาเฉพาะตนให้มันเป็นปัจจัดต่างของไขรของมัน ก็เคยพูดเตือนอยู่เรื่อยๆ ย, ยกขึ้นกล่าวเรื่อยๆอ ย, อยู่ก่อนเราจะไหว้พระเลยแล้วกล่าวนโมก่อนใช่ไหมตั้งนโมกันพอตั้งนโมแล้วก็กล่าวพุทธังธํามังสังฆังใช่ไหมแล้วก็แล้วก็กล่าวอาลาธนาสินใช่ไหม ก็เหยียดสามประการอีกนั่นแหละที่เราอยากจะฟังเราอยากจะรู้เราอยากปฏิบัตินับตั้งแต่กิริยาอาการที่กลาบ การกราบเนี่ยเป็นความนอบนอบ้อมใจของเราน่มีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่ไหมนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหมเวลากราบอะ่ะนึกถึงพระคุณของผู้ให้ไหม หรือว่าสักแต่กาบเฉยๆเอามือชิ้งลงข้างหน้าเท่านั้นก็ว่ากาบใช่ไหมการกราบมันพร้อมในเบญจังขปรดิดห้าประการศอกสองเข่าสองศีรษะหนึ่งจึงเรียกว่ากาบเราน้อมนึกไหมละ่ะ บางคนก็นึกบางคนก็ไม่นึกที่ไม่นึกซะส่วนมากอะ่ะแล้วมากล่าวคำว่านโมรู้แล้วหรือะแล้วโมอ่ะมันมาจากไหน เป็นเหตุมาอย่างไรก็จะพูดเธอฟังเหตุเกิดของน้ำมัวมาจากหาเท พ, พเจ้า เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดตอนุตลาสัมมาสัมโพธิยามเป็นพระสัพพัญญูสัมมามพุทธเจ้าเสียบลอยแล้วนี่ยเศรษิมุติสุขอยู่ในที่จงกรมบ้างในที่นั่งสมาธิต้ไม้จิกบ้างเทพเจ้าที่เ อ, อยากจะมาทดลองอ โคตมัสสากยบุตรวาตัสรูนี่เป็นมนุษย์แท้ๆอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัทธิโนจะมีอิทิฤทธิหรือเปล่าเนามียศหรือเปล่าเนามีความรุ่งเรืองมีวันน่งามเหมือนเราหรือเปล่านมีรัศมีมากเหมือนเราไหมพวกเทพพวกดวงดาวดึงสวรรค์มาอวดฤทธิ อยากจะพิสูจน์ว่ามนุษย์ตัวน้อยๆนีน่จะมีฤทธิ์ได้จริงๆหรือใครบางคนกล่าวน้โมวสาตาชิลีย์มาก่อนเพื่อนเลยโอ้โห เป็นรัศมีนะ่ยทำวันนมาอย่างเฉียบขาดเลยล่ะจะแน่แค่ไหนวะพระโคตมะเนี่ยสายบุว่าแน่เนี่ยดูซิดูสิความรุ่งเรืองหรือว่ารัศมีคนเรามีอย่างนี้ในพบที่เราอยู่นี่อาศัยแสงสว่างของเราปกคลุมหมดสาตาชีลี เป็นผู้เก่าวน้โมเนี่ยวันน้โมทึงทำไมถึงเรียกวันน้โมวันนะแเล ม, มโมพอมาถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลังสีที่เปล่งมานั้นเหลือเท่ากับแสงหิงห้อยอมาเทียบกับรัศมีของผู้ได้เจ้าแล้วมันคนละเรื่องเลย ไอ้กูนี่คองอยู่ในภพภูมิที่ยิ่งใหญ่ถึงขนาดนี้คองพวกอสูนเท่าไหร่ทำไมหนอะรักติมิเราเหลือแค่ตี้พอเทียบของพทธเจ้าแล้วโอ้โ ห, โหมันใหญ่กว่าพระธิากว่าพระจันทร์อีกแสงอะ่ะกูเลย ยอมรับสารภาพทำประทักษิณสามรอบแล้วกล่าวคำเดียวเป็นคำย่อที่สุดคือนะโมกล่าวคำเดียวองค์สวิพระสมาสุนีเจ้าเรี้ยกแยมให้กับสาตาชิลีอ๋อเขายอมรับความจริงว่าที่เขาเป็นเทพพระเจ้าพะพุนเจ้า บอกกับภิกษุหลังจากที่มีทศสองอุบัติขึ้นมากแล้วจึงพูดเรื่องนี้ให้ฟังที่สาตาคิรีที่ยักษ์ตนนั้นน่ะอยู่ในถ้ำสาตาเขาชิรีคิรีเขแปลว่าเขาเขาเป็นยักษ์คือผู้ที่มีจิตใจโหดเหี้ยมมากแต่เขามีสัจจะ สัตว์จากห้องเขาเนี่ยจะกินสัตว์ประเภทไหนเขาก็ออกไปหากินสัตว์ประเภทนั้นสัตว์ประเภทอื่นจะมากเท่าไหร่เขาไม่ยอมกินเลยไม่ยอมแต่ต้องแล้วเขาก็มีเนื้อและเลือดเป็นอาหารที่เตรียมท้องเขากินกินสัตว์ประเภทนั้นจะกินเท่านั้นกําหนดอย่างนั้น เขาทำมาอย่างนั้นด้วยอำนาจใงคำสัตว์ที่เป็นศิลเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นเทพเจ้ายักษ์ได้พอศิลและสัตว์เนื้อก็คือธาตุดินก็คือธาตุมะ ธาตนะุน่าคือธาตุน้ำคือเลือดมีเนื้อเลือดเป็นพักสาหารกับผมมีสัจจะภาวะการฆ่าสัตว์กินเนื้อเลือดด้วยคำสัตว์ตว่าสัตว์ประเภทนั้นกดมีเอากินแต่สัตว์ประเภทนั้นไม่เอาอย่างอื่นจะเจอมากท่าแล้วก็ไม่แต่ต้อง พพูตเจ้ิจงตัดว่าสัตจังเวอมุตาวาจาอ้อวาจาสัตว์เป็นสิ่งที่ไม่ตายจริงวาจาสัตย์ยังทำให้บริสุทธิ์ยังไปเกิดมันเทพพเจ้าได้แล้วญาติธรรมของเราเละเคยตั้งวาจาสัตว์อย่างนี้ไหม เคยไหมคงจะไม่เคยโกหกไม่เคยหลอกลวงใครนะมีแต่คำสัตย์คำจริงไหมแล้วก็อยากจะเป็นเทพเจ้าตั้งแต่คำสัตย์ก็ยังทำไม่บริสุทธิ์สะอาด มันจะไม่เหนื่อยเปล่าเหรอให้มีสติฟังนะนี่นั่แลมโมเหตุเกิดทงหนะ่แลมโมตัดส่าหล่ะเป็นของใครอสัสลิลลาหูพลาหูที่ เขาไหว้กันนั่นน่ะที่เป็นหน้ายักษ์เป็นรูปยักษ์เห็นไหมครึ่งท่อ น, น, นมีแต่ศรีษาน่น่ะพลาหัวเขาเขียนเป็นรูปยักษ์ตัดสัสุลิลาหัวําไมพลาหัวจะมีแต่ศรีษะ พอถูกกลงจากของพระนาลายตัดเมื่อข้างบ่อน้ำทิพต้นปริชาติเกิดขึ้นในดาวดึงสวรรค์พวกยักษ์เข้าไปถึงก่อนทากันล้อมหมดเลยพวกรักษาศีลแปดเป็นเทวดาเข้าไปไม่ได้ พวกยักษ์เขาจะฆ่าทิ้งหมดเดือดร้อนถึงพระอีศวนถึงพระนาลายนนท์พระอีศวรกับบรรดา น, นอพระนาลายไปเอาพวกยักษ์ออกจากบอ่อน้ำทิพย์จะให้พวกให้เขาไปอยู่อีกที่หนึ่งนะ ว, วิศกรรมมันพูดไปแกล้งส่งข่าวหมดมาทำยังไง พ่ะนาลายมาไล่อาสูรได้วิธีไหนพวกอาสูรนี่พากันทำอะไรอยู่อาสูรเนี่ยคือพวกต้องการจินเล่ามายาเมื่อมีสุลาแล้วอย่าขาดนาลีจึงเนลามิตรล่างขึ้นมา ถือไห่เล่าเลยไปป้อนพวกยักษ์ที่เป็นทหารยักษ์ทั้งหลายแหละมีกำลังมากๆปล้าปรโรมทุกอย่างพวกยักษ์ก็ดีใจสิแม่มีมสาวงามงามมาใกล้ๆกินเหล้าเมาลมเปลี่ยนนิสัยอ่ะหลงในมายาของพนนาลาย เป็นลำร้องลำทำเพลงกันจิ้นเหล้ายิงเมาโซซัดโซเซหอบอุ้มกันออกหนีให้พยายามออกให้ไกลที่สุดเว้นไวแต่พลาหูเป็นยักษ์ขี้เละรู้ไหมเขาไม่ให้เข้าพวกใคๆเป็นง่อยเปียเป็นชีทู่ีีละเขาไม่ให้เข้าใกล้พลาหูนี่ไปแอบอยู่ในพุ่มไม้พอพวก เควดเดวดาพวกพนาลาลพาอสูรพวกนั้นถอยไปไกลแล้วเนี่ยรีบลงกลัวจะไม่ได้กินก็เอาสีสาแล้วเอาป่ากอมในน้ำต่ว่าก้งจากมาตัดพอดีเลยตัดได้แค่นี้แต่ที่จมในน้ำแล้วก็แล้วไปตัดที่มันกระเด็นขึ้นมาพลาหูจึงมีแต่สีสาเป็นทิพย์ อย่างนั้นจะว่าพระสุขเข้าพระเสาแทกพระอาทิตย์แสงพระลาหูซ้ำหรือเวียนคำแท้แท้เนาะอันนี้ตำนานโกหกนะฟังไว้หลอกเด็กก็ได้ตัดสะอัสลิลลาหูพระขาวโตละ่ะท้าวจาตูมมหาลาชิกาสี่มหาลาดใหญ่ ในชั้นจาตูมมหาราชสี่ชมพูทวีปที่ครองกันอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวมาแสดงฤทธิ์ต่อพระพุทธเจ้าพอมาแล้วก็แสงแต่ก็แสงอีกห่อยเหมือนกันหมดก็ยอมรับสารภาพคำเดียว พลาหัวก็มาแสลี่ต่อพระเจ้าก็เหมือนกันมาแต่หัวก็ไม่ต้องบอกอย่างอื่นว่าเพราะถูกกกงจักรตัดฉันจะาตุมมหรลากาศีมหาราชเข้ามามก็พูดคำเดียวกันอายพอรัศมีไม่มีทำประทักษสีกับหมดไม่ได้กล่าวมากความกล่าวสั้นๆย่อๆว่าพระคาวาโต เท้าตาจาตุมหาลาชิกะในสวรรค์นี่ที่มีจอมเทียบใหญ่นะคือพระอินหรือเท้าสกกะเป็นผู้มากาวอัลาหาโตอาลาหะหรืออาลาหังเนี่ยแปลว่าสิน้น หรือดับจริงหรือเปล่านองผู้ที่จะช่วยชีวิตท้องเราปงอมาลินองสกะอย่างเราเให้มีชีวิตต่อเนื่องขึ้นมาอีกเราจะได้เป็นพระเอ็นต่อไปอีกี่ยจะสำเร็จหรือเปล่านอ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์อุบัติขึ้นในโลกแล้วอยากจะเข้าไปกาปราบนามัตการใครหนอจะนําเราไปข้าเทพองค์ไหนนําเราไปได้นะสิ่งไหนที่เขาตั้งปณิธานปาถนาไว้เราจะให้สิ่งนั้นสมดังปาถนาในดาวดึงสวรรค์กับเทพองค์นั้นเลยเทวดาองค์นั้นเลย ที่จะเข้าไปกราบไปนมัรสการพระพุทธเจ้าจะได้ไปถามธรรมะเพราะตัวเองจะจุติแล้วเพราะหมดบุญที่จะเป็นเทวดาอยู่บนดาวดึงสวรรค์แล้วจะไม่มีอำนาจแล้วคือมีทางเดียวลงมาจุติในโลกมนุษย์เท่านั้นแล้วอยากจะกลับไปเกิดเป็นพยินอีกจะสำเร็จได้ยังไงนอกจากองค์พระสัพพัญญูเท่านั้น จึงประกาศต่อพวกนั้นทั้งหลายประกาศด้วยเทเสบมีปัญจสิกข์เป็นพวกคนทันเป็นผู้รับอาสาจะนำเข้าไปกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัญจสีคาถ้าเธอนำเราไปกราบพระพุทธเจ้าได้นะสิ่งไหนที่เธอปนธนาถนะเราจะให้เธอสมปาถ น, นาเลยในดาวดึงสวรรค์ปัญจสีคานะก็มีพินสีเหลืองอันหนึ่งแต่ว่าตัวพินนั่นเอาผลมาตูมมาทำ จะมีคันพินดีดพินพอเมื่อค้งอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยจะเป็นพวกขกุดกอดยิงแต่ว่าที่ดาของพระเจ้าในเมืองนั้นเน่ะชื่อว่าปัญจสิกข นางมีความงามมากปัญจทิคามโอดชื่อว่าสุริยวัชชาเป็นที่ดาแห่งคนทันแม่สุริยวัชชาเนี่ยก็เป็นลูกสาวของคนทันนั่นงามหาที่เปรียบที่ติไม่ได้เลยปัญจทิคามละเมอถึงเลยแล้ววะจนไปเก็บผลผลมาตูมมาเนี่ยไม่กล้าเข้าไปใกล้ถ้าเข้าไปใกล้กลัวถูกตัดศีรษะ วันนั้นไปโดยบังเอิญไปเห็นนางลอยน้ำอาบน้ำกับพวกสนมเกิดความรับแต่ครั้งนั้นมาปัญจสิกาจิงเอาผลทัตูมาทำเป็นพินแต่งเพลงขึ้นได้สิบสี่เพลงด้วยกันเพลงจริงมีมาตั้งแต่ครั้งปัญจสิกะบัญญัติเมื่อครัง้งพบนางสุริยวัชชา จำไม่ได้หมดหรอกไอ้เพลงมันเป็นเพลงบทสั้นๆเริ่มต้นก็ดูก่อนแม่สุริยวัชชาผู้มีร่างอันเช่มช้อยโสภาตัวข้าผู้หยบ ป, ปัญจาศิขาขอรับอุตมะฆาสิรวดกราบไหว้พระเจ้าติมพลูของน้องนะนู่น่ไปกราบไหว้พ่อตาก่อนแล้วอ่ะดีดเพลงไปเป็นการคารวะตั้งแต่ต้นเลย ผมไปจนถึงเพลงที่สิบสี่ดูก่อนแม่สุเรียววัชชาความรักของพี่ที่เกิดขึ้นมาไม่ใช่เกิดขึ้นเหมือนกับดอกรักที่เกิดตามหรือดูการลักของพี่เมื่อแรกกบจบจนชั่วนิ้ันดอ น, นั่นเป็นเพลงที่สิบสี่สิบสี่เพลงที่ปัญจสิกะบัญญัติแต่นอง น, นั้นไม่พูดแต่พูดแค่สองข้อข้อหนึ่งและข้อสิบสี่ มันจะกินเวลานานเดี๋ยวจะเมื่อไหร่จะจบเดี๋ยวจะมาว่าอีกนี่ตั้งแต่ต้นนะโมยังยังมันมันขมมากแล้วนั่นเนาะถ้าไปพูดเรื่องเพลงอุยาไปอีกล่ะสั้นๆก็พอเป็นแต่เพียงหัวข้อนี่พักว่าโตอันนี้อละหาโต นั่นแหละปันจะนำเท้าส ก, กเทวราชมายังถ้ำสุราขาตาพอนาเข้ามาแล้วอยู่ห่างพอที่จะพินดีดถึงเสียงพินจะแถวไปถึงจึงกีดดีดประสานเสียงในเสียงเปียนเสียงเพลงที่เพลงสิบสี่เพลงนั่นแหละเข้าไปกระทบพระสวดของพระพุทธเจ้าได้ พอจบเพลงที่สิบสี่เท่านั้นภาษาละเสียงขององค์สนเด็จพระสัมมาทูตเจ้านั้นก็ะชอยกระแจออกมาเลยปัญจาสีขะเสียงพินและเสียงเพลงของเธอไพเราะดีนะเธอประพันธ์ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่ะท่านโอยเท้าสากัดได้โอกาสลิ้วเลยละ่ะเข้าไปในทําเลยแล้วว่ะได้โอกาสอ่ะปัญจจาิการบริวารพวกเทพทั้งหลายเข้าไปเลยไปทําประทักศิลประทับกันอยู่คนละที่สมควรเลย ปัญจติกาเดินก็ไปถึงนาพระพุทธเจ้าแล้วบอกเลยว่าบัญญัติเมื่อครั้งพบแม่สุริยวัชชาอยู่เลี้ยงฝั่งแม่น้ำเนลัญชลานางเป็นที่ดาของคนทันนางมีความสวยสุดที่จะขนานนับความรักของกับผมเกิดขึ้นเมื่อครั้งนั้นแต่ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เมื่อครั้งโน้นจึงได้มีแต่ไปเก็บผลมาตูมเนี่ยมาทาเป็นพิน บรรยัดเพียงขึ้นมาสิบสี่เพลงเพื่อจีดดีดประสานเสียงให้เป็นสำเนียงนางฟังเจ้าข่าว่าทนข้าวสกะได้มีโอกาสเธอคงจะได้สมปาถนาแน่นะปัญจศิกยค่ะนะพูริเจ้าพยากรเลยจอมเทพผู้ยิ่งใหญ่ จึงได้ถามธรรมะกราบนมัสการเรียบร้อยแล้วจะมาตอนประมาณสาประมาณสามโมงเ้าม้พาบริวารมากลับไปคงจะมาประมาณบ่ายสามหรือบ่ายสี่โมงอ่ะลืเลิกงานพอดีมั้งจุติจากดาวดึงสวรรค์มาเกิดในโลกมนุษย์ได้มาถามปัญหา แต่อยู่ในคาบของจอมเทพหมดบุญแล้ว น, ะนะนะั่นน่ะยังอยู่ในคาบจอมเทพอยู่พอได้มาถามธรรมกับพระพุทธเจ้าพระพุท้าพยากรณ์ต่อตัดต่อหมดแล้วอารหาหะโตแปลว่าสิ้นหรือแปลว่าดับมันดับลงมาแล้วสิ้นแล้วสิ้นพบชาตินั้นแล้วจนกระทั่งว่า ได้กลับไปเกิดเป็นพระอินอีกไปหย่ดาวดึงสวรรค์อีกในตอนบ่ายสี่โม ง, โมงกว่าเลี้ยงนำพวกเทพขึ้นไปอยู่เหมือนเดิมอีกได้เพราะอะไรพอขึ้นไปถึงแล้วปัญจาศีกขเธอชอบเทพที่นาที่นาว่าสุเรวาชา์จริงหรือจริงเราขอยกให้เธอเลย ได้สำเร็จดังป่าดังคำพยากรที่พระเจ้าพยาก ร, ากรเธอได้สำเร็จดังความปรารถนาแน่งปัญจสุขกวดไปได้สำเร็จอยู่บนดาวดึงสวรรค์นี่ตำนานอลาัลฮะโตของท้าวสักกะจอมทวยเทพผู้ยิ่งใหญ่สำมาสักพุทธศาสนาเป็นของใครพูดนั่นกล่าวถึงพวกผม ผมมากล่าวคำเดียวทท้งนั้นสัมมาสัมพุทธะเท่ามหาพมไปเกิดขึ้นเป็นพมเพราะตั้งอยู่ในวิหารธรรมสิพมจึงหนืนโลกอยู่วันนี้ก็พากันถึงได้บอกว่าหน้าที่อของพมหนุนในพวกเรานั่ง วันนี้ก็หนูในพวกเราได้นั่งอยู่เห็นหมเนี่ยไม่รู้ว่าเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยก็นั่งฟังกันอยู่อย่างนี้เนาะเคยได้ฟังไหมตำนานเหล่านี้ใครเคยได้ฟังแล้วเคยได้ยินไหมสิ่งที่ควรปฏิบัติมีเท่าไหร่สามใช่ไหม สิ่งที่ควรรักษามีเท่าไหร่สามใช่ไหมจําได้ไหมแล้วมาบอกว่านามโมอีกเหตุเกิดของนมโมจัดไว้อันดับหนึ่งไม่ได้นะต้องจัดไว้อันดับสามนโมมีอยู่สามรอบนมโมรอบต้นเหติจัดอันดับสามนุน อ, อันดับสองม เป็นของใครล่ะของร พ, ๆๆพงนะระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะพึ่งตีติงนะหูหน้าเจ้าเปนียกในโลกทำไมถึงจัดเอันดับสองถ้าเราจะแปลนโมตามนั้งเสือเขาแปลกันว่าไงนะนโมอวนวุภาความนอบน้อมเพราะขาวตาโต่อพระพุ้ธมิภากข์เจ้าตัดสาพระพพ อ, องค์นั้นอลหาโตเป็นพระ阿หัน สมัมมาตุตาตัวเองโดยชอบใช่ไหมในหนังสือเขาวางันจริงหรือเปล่าเออเขาแปลได้เพราะนะสละสลวยมากแต่ถ้าจะแปลนโมรอบที่สองอันเป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าล่ะนะโมอันว่าห่วงอมะตะธรรม ห่วงน้ำหัตถ์ไทยพระมหากะลูนาที่คุณอมะตะคือธรรมชาตินะโมณะตัวนั้นคือน้ำคือน้ำพระหัตไทยเปรียกด้วยมหากะลูนาที่คุณอมะตะธรรมตัวนั้นคือตัวธรรมชาติมาจากมหาพูทธสีตั้งขึ้นณโมอนห่วงม่าตัดสะ ของพระพุทธเจ้านั้นตั้งขึ้นแล้วเห็นไหมตัดสะนั่นคือเป็นของพระพุทธเจ้านั่นห่วงอมตะตาธรรมเป็นอย่างนั้นมันมีขึ้นมาแล้วมันเป็นห่วงธรรมเป็นก้อนธรรมขึ้นมาแล้วตัดสะของพระพุทธเจ้านั้นมาอาศัยมาถือเอาแล้ว พักขาวโตจึงได้มาจำแนแกแจกพระธรรมนะโมอานว่าห่วงอ ม, มะตะธรรมตัดสะของพระ พ, พุทธเจ้านั้นพักขาวโตพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาจำแนกแกกพระธรรมพักขวาวเป็นผู้จำแนกแกกหรือแบ่งมาจำแนกแกกพระธรรมร拉ห์โต ล้วนแต่เป็นธรรมันสิ้นอาสวะไข่พรคุณของพุทธเจ้าตั้งแต่อิติปิโสพระคลาจนถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยเขาว่าหน้าร้อยแปดแต่ละอัคคระอย่างถึงพระ น, นิพพานหมดพระพุทธเจ้ามาบัญญัติคำสอนแต่แปดหมืนสี่พันมธรรมขันล้วนแต่บรรดัดปฏิบัติแล้ว ถึงพันิพาณทางนั้นแยกออกมาจากตัวอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายอกีกอรหะโตล้วนแต่ธรรมนินสินดาสวาาัสใสอสวะไขสัมมา มีเทวดามารพมสมณพาพและมนุษย์เป็นผู้สะดับรับฟังแล้วโดยชอบสัมพุทโธผู้ปฏิบัติเองย่อมบรรลุเองเห็นไหมทำของพุทธเจ้าบรรลุแทนกันไม่ได้หรอกจริงไหมที่หนังสือเขาบอกอะไม่มีใครจะบรรลุแทนกันได้ นี่เป็นนโมรอบที่สองส่วนนโมรอบที่สามละ่ะนโมรอบที่หนึ่งละ่ะคืออะไรคือบิดามารดาเราคือพ่อและแม่เราคือพ่อและแม่พระพุทธเจ้าก็ได้พ่อได้แม่เห็นไหมคือตัดสะตัวนั่นละ่ะ ธาตุดินก็ของพ่อธาตุน้ำก็ของแม่นะโมอันวันน้ำและดินตัดสะของบิดามารดานั้นพระควโตบิดาและมารดาเป็นผู้จำแนกธาตุน้ำและธ า, าตุดินอรหัโตจำแนกให้แล้วจนสิ้นสัมมายังให้ตั้งอยู่ในคันของท่านสิ้นถ้าสามารถสิบเดือนแล้วโดยชอบสัมพุทโธจึงได้เกิดขึ้นมาพ่อแม่เรามีพระคุณแช่ไหน รู้ไหมตัวตนสกุลรากายของเราล้วนแต่เป็นคุณของพ่อของแม่ทั้งนั้นลองมายึดถือปฏิสนธิเอาล้วนแต่เป็นคุณของพ่อของแม่เข้าใจไหมทุกวันเนี่ยจัดเป็นนโมรอบที่หนึ่งพระพุทธเจ้ายังมาอาศัยนะ่เล่มโมพระคุณของพ่อของแม่ มาบัญญัติตัวนี้เป็นธรรมมาดูของจริงอันนี้นี่เป็นนโมที่เรากล่าวครั้งแรกแล้วทำไมยังกล่าวพุทธทางธรรมังสองครั้งอีกละ่ะสตนัคชามิเห็นหรือยังพระสงฆ์เห็นค่ะนั่นแหละนั่งพูดอยู่บนธรรมะนั่นแหละค่ะหัวเรนหล้นผมผ้าเหลืองใช่ แล้วเห็นพระธรรมหรือยังก็ท่านกำลังพูดนั่นแหละคือพระธรรมใช่พระสงฆ์พูดเห็นพระพูดหรือยังล่ะเด้อยู่ข้างทางข้างัวมือนั่นแหละค่ะเต็มไปหม ด, ดใช่อีกจริงไหมจริงสิตอบแทนเลย เห็นตัวสารณะของตัวเราหรื อ, อยังพี่ถามเนี่ยไม่ถามสารณะคนองนี้ไม่ได้ทำพุทธทางอันนี้ถามถึงพระสงฆ์ที่อยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลเนี่ยเห็นหรื อ, อยังองคสงอะ่ะ ถามดูสิถามพระประสง์ในตัวตนตั้งแต่ละผู้คนถามว่าใครของมันสิถามพระธรรมตัวเองบ้างสิอยู่ที่ตัวที่ตนนั่นน่ะถามพระพุทธสิที่อยู่ในตัวตนเรานั่นน่ะเห็นแล้วหรอได้ปฏิบัติหรื อ, อยังตั้งแต่ตัวตนนั้น มันเป็นของพ่อของแม่แท้ๆแล้วก็ยังไม่รู้ไม่เห็นแล้วใครจะไปเห็นล่ะว่าพระสงฆ์ที่อยู่ในตัวเราอยู่ตรงไหนจึงจะปฏิบัติได้ปฏิบัติถูกจึงจะไปเห็นพระธรรมจึงจะมาปฏิบัติชำระได้ ในตัวเรามีแต่กองสมมุติทั้งนั้นให้เข้าใจสิมีแต่เรื่องสมมุติโลกอันเนี้ยถ้าไม่มีสมมุติจะมีวิมุตไม่ได้เข้าใจไหมโลกิยาวิมุตแลโลกุตตะละวิมุ ต, ต, ตฟังดูสิเมื่อมีโลกิก็จะมีโลกุตตะละ เมื่อมีสมมุติก็ต้องมีวิมุตติมันเป็นของคู่กันมีทุกข์ก็มีสุขตัวสงฆ์ที่เป็นองค์สรณะในตัวเราคืออะไรก็คือธาตุสี่นั่นเองดินน้ำไฟลมนั่นแหละคือพระสงฆ์เป็นศรณะพวกเราเองของใครของมัน เช่นพระได้ยังไงดินเขาก็เรียกพระมหาปัตภีไม่ใช่เหรอน้ำก็พระมหานาทีไม่ใช่เหรอือไฟก็พระเพิงไม่ใช่เหรอือลมก็พระพายใช่ไหมพระทางนั้นนี่แหละพระสงฆ์อ่ะพระสงฆ์มาสงฆ์ไปว่าพวกสี่เนี่ยนี่ตัวสรณนะ ดูตัวเองนะตัวเสะนาหน่าจะไปดูที่อื่นเมื่อสงประชุมกันจึงเป็นกองเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่แหละนี่แหละธรรมที่เข้าใจนะธรรมก็คือตัวเราเถ้าเราเอาเอาตัวเราเนี่ยใจเรามาปฏิสนธิตัวไม่ตายแต่ตัวเราเนี่ยคือตัวธรรมเหล่านี้ถ้ามันแตกมันทําขึ้นมาไม่ดีล่ะ เนละคุณนะปฏิบัติตรงนี้ที่ปฏิบัติพุทธธรรมสงศ์อยู่ที่ตัวเรานี่เป็นหลักวิปัสสนาเข้าใจไหมเข้าใจนะหลักวิปัสสนาหลักกรรมฐานสมถกรรมฐานก็คือหลักตัวนี้ จะปฏิบัติเข้าสู่มรรคผลนิพพานกว่าตัวนี้ชำระให้มันบริรสุทธิ์สะอาดก็คือชำระกายวาจาและใจเนี่ยให้มันเป็นศีลศีลนแหละที่ตั้งของนิพพานจะเข้าถึงนิพพานตรงนี้เองไม่ใช่ที่อื่นพูดมานานมากแล้ววันนี้สมควรเจียเวลาเอวังด้วยปากาแล้วเชุ่